ทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราชาวพุทธละการกระทำบาปทั้งปวงทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอน ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเป็นวิธีที่จะบำบัดทุกข์บำบุงสุขให้แก่จิตใจของพวกเราได้อย่างแท้จริงไม่มีวิธีไหนในโลกนี้ที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆ และสร้างความสุขได้อย่างแท้จริงเท่ากับวิธีที่พระพุทธเจ้านำเามาเผยแผ่สั่งสอนคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยการกำจัด กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเพราะถ้าทำได้แล้วจิตใจจะปราศจากความทุกข์ปราศจากความเศร้าหมองปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดจิตใจจะมีแต่ความสุขอันยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่าบรมมาสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบและได้ส่งบำเพ็ญมาแล้วนั่นเองพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่านี่คือวิธีที่จะกำจัดทุกขวิธีที่จะสร้างความสุข ที่แท้จริงให้แก่จิตใจวิธีอื่นพระพุทธเจ้าก็ทรงทดลองมาแล้ววิธีที่พวกเราใช้การกําจัดความทุกข์บาบัดความสุขอาจจะบําบัดความทุกข์บำบูงความสุขที่พวกเราใช้กันอยู่นี้ก็คือการหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกําจัดความทุกข์สร้างความสุขได้อย่างถาวรเป็นการกําจัดความทุกข์สร้างความสุขชั่วคราวและกลับกลายเป็นการกําจัดความสุขสร้างความทุกข์ให้ อย่างทาวรพวกเราตอนนี้กำลังกำจัดความสุขกำลังสร้างความทุกข์โดยที่พวกเราไม่รู้สึกตัวและไม่รู้ว่าเราได้ทำกันมาอย่างโชคชรทำกันมาอย่างยาวนานจนไม่สามารถนับเวลาได้ว่ายาวนานเท่าไหร่ ไม่สามารถนับจํานวนของภพชาติที่พวกเราต้องมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจกันด้วยวิธีบำบัดทุกข์บำุงสุขที่เราทำกันก็คือวิธีหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกวิก้นกก่ วิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้เราต้องมาเวียนไหวตายเกิดกันมาเกิดแก่เจ็บตายมาร้องห่มร้องไห้กันอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่อย่างอันยาวนานจํานวนภบชาติที่พวกเรามาเกิดแก่เจ็บตายมาหลังน้ำตามาร้องห่มร้องไห้กันนี้ มันมากมายจนไม่สามารถนับได้ด้วยหมายเลขป อ, องทรงให้ประมาณเอาโดยเอาน้ำตาที่พวกเราได้หลั่งกันในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเรารวบรวมน้ำตาที่เราได้หลั่งกันในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวมกันป อ, องทรงตรัสว่า มันจะมีมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรเสอีกนี่แหละคือความทุกข์ที่พวกเราสร้างกันโดยไม่รู้สึกตัวเพอคิดว่าเป็นการสร้างความสุขกันพวกเราคิดว่าการมีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นวิธีสร้างความสุขให้กับพวกเรา แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขแบบเหยื่อ <Yeah. S 1> ที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อ <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี่มันเป็นอาหารชิ้นเล็กๆ เ, เท่านั้นเอง <Yeah. S 1> แต่ซ่อนอยู่ใต้อาหารใต้เหยื่อนี้คือตะขอเบ็ดถ้าปลาไม่ฉลาดไปฮุบเอา เหยื่อนี้ก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากทันทีแล้วความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากตะขอเบ็ดเกี่ยวปากก็จะเป็นความทุกข์ทรมานใจจนถึงสิ้นชีวิตเลยนี่คือความสุขที่พวกเราหากันเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆ แต่เป็นความสุขชั่วคราวเดียวเดียวเหมือนควันไฟเวลาเราได้ลาบยศสัรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกิ่างกายเราก็มีความสุขกันแต่เป็นความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะลาบยศสรรเสริญรูปเสียงเกล่นลดโพธพิภพ ที่ให้ความสุขกับพวกเรามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันมันมันเป็นของชั่วคราวมันเปลี่ยนมันได้มาแล้วมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากสุขกลายเป็นทุกข์ไปได้มาแล้วก็ไปได้หมดได้เพราะทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนั้น ทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่จะอยู่อย่างถาวรไปกับเราได้อย่างตลอดพอเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการสูญเสียเกิดการล่มสลายความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพวกเรากำลังหาความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัว เหมือนกับปลาที่ไปฮุบเหยื่อไม่รู้ว่ากำลังจะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วก็จะถูกจับไปฆ่าตายต่อไปนี่แหละคือวิธีกำจัดทุกบำรุำงสุขที่พวกเราทำกันอยู่มากันอย่างต่อเนื่องทุกภพทุกชาติพอหลังจากที่ร่างกายที่เราใช้ ในการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสตายไปเราก็กลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมาหามารับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ของเราเพื่อที่เราจะได้ม า, าหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผทถภากันอีก แต่การมาเกิดนี้มันไม่ใช่จะมีแต่ความสุขเพียงเดียวนอกจากความสุขแล้วมันก็มีความทุกข์แถมมาด้วยความทุกข์ที่เกิดจากการเสื่อมของลาบยศสระเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายร่างกายที่เกิดแล้วต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายไป เวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาก็สร้างความทุกข์ทรมานใจร้องไห้ร้องห่มร้องไห้กันนั่นแหละจำนวนน้ำตาที่เราร้องห่มร้องไห้เพราะความทุกข์ต่างๆที่ได้รับจากการมาเกิดนี้เมื่อมารวบรวมแล้วของจะมีมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทร ก็คิดดูว่าเราต้องกลับมาเกิดมาร้องห่มร้องไห้เพื่อให้มีน้ําตามากยิ่งกว่าในน้ำน้ําในมาหาสมุทมนี้จะต้องมาเกิดกันสักกี่ครั้งกันจะเขียนด้วยตัวเลขนี้ก็คงจะเขียนไม่ไหวเพราะมันคงจะยาวมากไม่รู้ตัวศูนย์นี้จะกี่ตัวนําหน้าด้วยเลขหนึ่งแล้วก็เขียนด้วยศูนย์ไปเรื่อยๆ เขียนตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ยังคิดว่ายังไม่ครบจํานวนของภพชาติที่พวกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันะอเพราะแต่ละชาติที่เราหลั่งน้ําตานี่ถ้าน้ําตาที่เราหลั่งในชาตินี้มารวมกันก็คงไม่ถึงแก้วหนึ่งมั้งหรือสองแก้วหรือสามแก้วแล้วคิดดูน้ําตาของเรามันจะ มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรได้ น, นี้จะต้องกลับมาร้องห่มร้องไห้กันสกักกี่พบกี่ชาติกันนี่แหละคือวิธีหาความสุขกำจัดความทุกข์ของพวกเราที่พระพุทธเจ้าก็เคยทำมาเหมือนพวกเราแต่พระพุทธเจ้าทรงมีความฉลาดทรงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีกำจัดความทุกข์ วิธีสร้างความสุขที่แท้จริง mm. พระองค์เลยต้องไปศึกษาไปค้นคว้า mm. จากผู้รู้ต่างๆคือผู้ที่เป็นนักบวชในสมัยของพระพุทธเจ้า mm. เป็นผู้ที่แสวงหาวิธีกาจัดความทุกข์บำรุงความสุขอีกวิธีหนึ่ง mm. วิธีที่แตกต่างจากวิธีที่เจ้าชายสิทธัตถะเคย หาอยู่จึงทําให้เจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าของพวกเราต้องสละราชสมบัติเพราะทรงเห็นว่าวิธีหาความสุขกําจัดความทุกข์ของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นมันไม่ได้เป็นวิธีที่แท้จริงที่ถูกต้องเพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอืจึงทรง ยินดีที่จะสละวิธีหาความสุขแบบนี้สละราชสมบัติสละความสุขจากการมีทรัพสมบัติมีบริสัทบริวารต่างๆสละภาษาสามฤ ด, ดูสละวิถีชีวิตการกินการอยู่ของเจ้าชายพระราชโอรสสละความสุขจากภรรยาจากลูก แล้วก็ไปอยู่โดดเดี่ยวเดียวด้ในป่าไปศึกษากับผู้รู้วิธีที่จะหาความสุขที่แท้จริงแต่ในสมัยนั้นก็ยังไม่มีผู้รู้ที่รู้อย่างแท้จริงรู้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์รู้เพียงครึ่งเดียวรู้จากวิธีหาความสุขบำบัดความทุกข์ได้เพียงครึ่งเดียว แต่ไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซนรู้จักวิธีกำจัดความทุกข์สร้างความสุขด้วยการทำใจให้สงบนั่งสมาธิเข้าฌานเวลาจิตสงบอยู่ในฌานความทุกข์ต่างๆหายไปหมดเหลือแต่ความสุขอันยิ่งใหญ่อันวิเศษแต่มันเป็นความสุขชั่วคราว เหมือนกับความสุขที่ได้รับจากลาบยศสรรเสริญพอออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากความสงบก็หายไปแล้วพอมาเห็นมาคิดอะไรก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่เช่นเห็นร่างกายคิดถึงร่างกายว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตาย ความสุขที่ได้จากความสงบก็หายไปความทุกข์ใจที่เกิดจากความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายก็ตามมาไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้พระพุทธเจ้าไปศึกษากับพระอาจารย์รูปไหนก็รู้แต่วิธีทำใจให้สงบ ให้เข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานเท่านั้นแต่ไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์เวลาออกจากสมาธิมาพระพุทธเจ้าก็เลยต้องส่งทดลองคน้นคว้าหาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ส่งค้นพบ ว, ว่าความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้มันเกิดจากความ อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองอยากจะอยู่อยากไม่อยากไม่ตายถ้ามีความอยากอยู่มันก็จะไม่อยากตายพอไม่อยากตายมันก็จะเกิดความทุกข์เวลาจะต้องเจอความตายอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพอไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุกข์ขึ้นมา อยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังวังชาแข็งแรงพอไปเจอความแก่ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระองค์เลยทรงค้นพบว่าความทุกข์ใจของพระองค์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นและเกิดจากความอยากมีอยากเป็น เพราะมีความอยากที่จะหาความสุขอยากร่างกายอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะอยากเสพกับรูปเสียงเกลื่อนรถผลทพะต่างๆการจะมีความสุขก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้าแก่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผลธภัได้จึงเกิดความทุกข์เพราะใจมีความอยากอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายจึงอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยู่อย่างแข็งแรงมีสุขภาพดีมีอวัยวะอาการสามสิบสองครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่อยากให้ร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตายพอพรพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันต้องเป็นไปตามวาระของมันร่างกายจะไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าใจยอมรับว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็จะห้ามความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ เพราะห้ามความอยากเพราะห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้อยู่ดีอยากไปก็ทุกไปเปล่าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะทำให้ใจทุกทำให้ใจไม่สบายไปเปล่าถ้าหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะรู้ว่า หยุดความจริงไม่ได้หยุดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็เลยหายทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วใจก็กลับมามีสุขเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญ ของรูปเสียงกลิ่นรสผลถะเนี่แหละวิธีของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ในการบำเพ็ญเพื่อที่จะทำให้พระองค์ได้กำจัดความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์และสร้างความสุขได้อย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงที่จะอยู่กับใจของพระองค์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อพระองค์ทรงคลพบวิธีของการกำจัดความทุกข์ของการบำรุงความสุขแล้วได้พิสูจน์และมีความมั่นใจในพิธีนี้แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกต่อไปผู้ที่มีศรัทธาเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติ พอได้ปฏิบัติก็สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจสามารถสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นภายในใจได้นี่แหละทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้กำจัดกิเลส ต, ตัณหา ความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไปจะมีแต่ความสุขเหลืออยู่ภายในใจไปตลอดเพียงอย่างเดียวขั้นต้นพระองค์ทรงสอนให้เรามากำจัดละการกระทำบาปทั้งปวงก่อนถ้าตอนนี้เรากำลังทำบาปกันอยู่ มาเลิกทำบาปเถิดเพราะการทำบาปนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขความสุขที่ได้จากการทำบาปเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขแบบเยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเช่นคนที่ทำบาปเพราะทำแล้วมีความสุขเช่นคนที่อดอาหารไม่มีอาหารรับประทานไม่มีเงินไปซื้ออาหาร ก็ไปขโมยเงินของผู้อื่นเพื่อที่จะได้เอาเงินนี้ไปซื้ออาหารก็จะได้ความสุขเล็กๆน้อยๆทางร่างกายซื้ออาหารมากินกินเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็หิวอีกเดี๋ยวเงินก็หมดอีกมีขโมยเงินมาเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องใช้หมดพอใช้หมดก็ต้องไปขโมยใหม่เวลาไปขโมยเงินก็ต้องหวาดระแวง ต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกจับถ้าถูกจับก็จะต้องถูกจับไปลงโทษอาจจะต้องไปติดคุกติดตารางและถ้าไม่ติดคุกติดตารางไม่ถูกจับใจก็จะหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลากลัวว่าจะถูกจับเวลาเดินไปพบกับเจ้าเห็นเจ้าหน้าที่ตารวจเดินมานี่ก็ตัดตกใจกลัว ท, ทั้งทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะไม่รู้เรื่องของเรา รู้เรื่องว่าเราได้ไปลักขโมยมาไม่ได้มาจับเราแต่เพียงแต่เห็นหรือเพียงแต่คิดท่านนั้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีนี่คือบาปที่เราทำกันอย่าทำเพราะมันจะทำให้ใจเราทุกข์ทำให้เราหวาดระแวงหวาดกลัววิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีความสุข ความสุขที่ได้จากการทำบาปมันผ่านไปแล้วหมดไปแล้วไปขโมยเงินมาไปซื้อของที่เราอยากได้ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็หมดไปแต่โทษของการทำบาปมันยังติดอยู่ในใจเราอยู่ทำให้เราวิตกทำให้เรากังวลกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ด้วยการลักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดโปรวณี ด้วยการพูดปดเนี่ยอันนี้ทำไปแล้วจะทำให้ใจเราไม่สบายไม่ใช่ทำให้ใจเราสุขอาจจะสุขตอนต้นสุขเดียวเดียวแล้วเดียวความสุขนั้นก็ผ่านไปหมดไปแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความวิตกความกังวลที่จะต้องไปรับใช้โทษนี้มันไม่ได้หมดไปกับความสุขมันจะอยู่ต่อไป นอกจากการทำบาปสี่ข้อนี้แล้วก็ยังทรงสอนให้ละอบายามุกที่เป็นผู้สนับสนุนในการทำบาปด้วยอบายามุกก็คือการดื่มสุรายาเมาเพราะดื่มแล้วจะควบคุมใจไม่ได้ถ้าคิดจะทำบาปก็จะไม่หยุดไม่มีอะไรมายับยัง้งแต่ถ้ายังไม่ได้ดื่มสุรายังมีสติอยู่ ถ้าคิดจะทำบาปก็จะยับยั้งได้เพราะจะรู้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีทำแล้วเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณแต่ถ้าเดิมชราจนเมาแล้วนี้จะไม่มีการยับยัง้งอยากจะพูดอะไรอยากจะทำอะไรก็จะทำเลยไม่มีสติยับยัง้งไม่มีการคิดไตรตรองว่าเป็นการกระทำที่ เป็นคุณหรือเป็นโทษต่ตอจิตใจจึงต้องละการดื่มสุรายาเมาแล้วก็ต้องละการเล่นการพนันเล่นการพนันก็จะทำให้หมดเนื้อหมดตัวไม่ช้าก็เร็วเวลาได้ก็ไม่เลิกอยากจะโลภอยากจะได้อีกเวลาเสียก็อยากจะได้คืนพอเสียมากๆก็ต้องขายทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองขายที่ขายอะไร หายแล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นหรือถ้าไม่มีกู้ไม่ได้ก็ไปลักทรัพย์ไปขโมยไปทำบาปอีกนี่คืออบายามุกผู้ที่จะสนับสนุนให้เรากระทำบาปกันมีอยู่ห้าสุรายาเมาเดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวตามที่ท่องเที่ยวต่างๆเ ท, ท, ท, ท, ที่ยวดูการละเล่นต่างๆ เพราะเป็นการดูดซับเงินทองให้หมดไปไม่ไม่เป็นการสร้างรายได้เที่ยวแล้วจะติดจะหยุดเที่ยวไม่ได้ก็จะเอาเวลาไปเที่ยวแทนที่จะเอาเวลาไปหางานหาเงินก็เอาเวลาไปเที่ยวไปใช้เงินถ้าไม่ไม่หาเงินมีแต่ใช้เงินเดี๋ยวเงินก็หมด เ, เงินหมดแต่ความอยากเที่ยวมันไม่หมด ก็จะทําให้ต้องไปทําบาปไปรักขโมยเงินทองอีกแล้วก็อย่าคบกับคนที่ชอบเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนดื่มสุรา mm hmm. ก็เรียอย่าคบกับคนเหล่านี้เพราะคบกับเขาแล้วเขาก็จะชวนให้เราไปทําสิ่งเหล่านี้คบกับคนดื่มสุราก็จะชวนเราไปดื่มสุรา คบกับคนเล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคบกับคนเที่ยวก็จะชวนเราเที่ยวถ้าเราไปกับเขาเดี๋ยวก็ต้องไปทำบาปแบบเขาเพราะเงินจะหมดเงินกหมดแล้วไม่มีรายหาไรายได้ไม่ได้หางานรายได้จากการทำงานนี้ หาไม่ได้เพราะอาจจะตกงานถ้าเที่ยวมากมากดื่มสุรามากๆเล่นการพนันมากๆ ก, ก็จะไม่มีเวลาไปทํางานอยากคบคนผ่านคนที่ชอบเล่นการพนันดื่มสุราเที่ยวกลางคืนและชอบความเกลียดคร้านเป็นคนที่จะชวนให้เราไปทําในสิ่งที่จะทําให้เราต้องไปทําบาปต่อไปข้อห้า อบายามุขข้อห้าก็คือความเกียดคร้านอย่าเกียดคร้านพยายามกําจัดความเกียดคร้านเวลาขี้เกียจนี่ต้องรีบลุกขึ้นมาหาอะไรทําถึงเวลาต้องทําอะไรต้องทําอย่าไปปล่อยให้มันไม่ทําแล้วมันจะติดกันนิสัยไม่ดีได้พอไม่ทําบ่อยๆเข้ามันก็จะไม่อยากจะทําอะไรถึงเวลาต้องไปทํางานหาเงินก็ไม่ไปขี้เกียจไปทํางานแต่ ขยันไปเที่ยวไปดื่มสุราไปเล่นการพนันถ้าปล่อยให้ความขี้เกียจครอบงมจิตใจชีวิตก็จะตกต่ำรายได้ก็จะไม่มีแล้วก็จะต้องไปทำบาปต่อไปนี่คือละการกระทำบาปทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสอนทรงพิจารณาทรงเห็นมาด้วยประสบการณ์แล้ว่า เป็นการกระทาที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแก่จิตใจในขณะที่มีชีวิตอยู่และเวลาที่ตายไปนี่ยังมีผลต่อไปด้วยเพราะผู้ที่ตายนั้นเป็นเพียงครึ่งเดียวของตัวเราของชีวิตเราชีวิตเราตัวตัวที่เป็นชีวิตของเราจริงๆนี่ไม่ใช่ร่างกายจิตใจนี่แหละเป็น เป็นตัวเราเป็นชีวิตของเราเป็นผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบาปต่อไปจะต้องไปเป็นไปเกิดในอบายสี่สถานที่ด้วยกันถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็จะไปเป็นเดลฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุลกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นกดเกลียด<ม>ก็ต้องไปนรกเนี่ยนี่คือผลที่เกิดจากการกระทำบาปที่พระพุทธเจ้าทรงได้เห็นอย่างชัดเจนจากการบำเพ็ญจากการปฏิบัติของพระองค์ พรองจึงสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงถ้าเราไม่ละการกระทำบาปทั้งปวงนีเราจะไม่สามารถไปสร้างกุศลไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราจะติดกับของการกระทำบาปและการจะต้องไปรับผลบาปทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปมีชีวิตอยู่ก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตาราง ก็จะไปทําบุญทํากุศลไม่ได้ไปบําบัดไปกําจัดกิเลสตัณหาไม่ได้ดังั้นข้ขอแรกที่เราควรที่จะทํากันให้ได้ก็คือละการกระทําบาปทั้งปวงคือให้รักษาศีลห้าละก็ละอบายามุขห้าประการด้วยกันให้ละเว้นการฆ่าสัตว์ละเว้นการลักทรัพย์ ละเว้นการประพฤติผิดประเวณีละเว้นการพูดปดละเว้นการดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูของละเล่นต่างๆดูมห์ส บ, บันเทิงละเว้นคบกับคนพาลคนโง่คนที่ชอบเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเป็นต้นแล้วก็ละเว้นความเกลียดคร้าน อย่าให้มีความเกียจคร้านเมื่อถึงเวลาจะต้องทำอะไรต้องทำทันทีเพราะถ้าไม่ทำแล้วจะไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์เกิดจากการทำถ้าอยู่เฉยๆงอมืองอเท้าจะไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นมาเช่จนจะไม่มีไรายได้ไม่มีเงินทองถึงเวลาไปทำงานก็ต้องไปทำงานถ้าขี้เกียจลา ง, งานบ่อยๆเดี๋ยวก็ถูกเขาไล่ออกจากงาน ตกงานตกงานก็จะไม่มีรายได้ก็จะเดือดร้อนก็จะต้องไปทำบาปไปขโมยทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นรายได้แทนแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกจับไปลงโทษต่อไปนี่คือทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะทำแล้วทำให้ใจเราทุกข์ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ และหลังจากที่เราตายไปแล้วจะทำให้ใจเราต้องไปเกิดในอบายนี่คือเหตุผลทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราละ ก, การกระทาบาปทั้งปวงแล้วข้อที่สองทรงสอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพราะบุญกุศลนี้จะสร้างความสุขให้กับเรานั่นเองจะทำให้ัใจของเรามีความสุข ใจของเราถ้าไม่ได้ทำบุญจะไม่มีความสุขถึงแม้จะไม่ได้ทำบาปก็จะไม่มีความสุขเหมือนกับการได้ทำบุญอย่างนั้นเมื่อเราไม่ทำบาปได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาทำบุญกันสร้างกุศลบุญกุศลชนิดต่างๆบุญที่เรารู้จักกันก็คือทานการให้การแบ่งปันการเสียสละความสุข ที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นเช่นมีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้ไม่จาเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ลายไปก็เอาไปไม่ได้แต่เอาไปเปลี่ยนเป็นบุญได้บุญนี้เราเอาไปได้บุญนี้จะเป็นเงินทองที่เราจะใช้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจของเราอยู่ในโลกทิพย์นะเงินทองของโลกทิพย์ก็คือบุญนี่เองบุญกุศลถ้าเราอยากจะหลังจากที่เราตายไปแล้วเราอยากจะอยู่ในโลกทิพย์อย่างสุขอย่างสบายเราต้องมีบุญติดตัวไปถ้าเราไม่มีบุญติดตัวไปเราจะไม่มีความสุขเราจะอยู่แบบขอทานดังนั้น พยายามสร้างบุญต่างๆให้เกิดขึ้นบุญที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือการทำทานใส่บาตรถวายสังฆทานสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดวาอารามอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นบุญนอกจากนั้นยังมีอย่างอื่นที่เราทำให้เป็นบุญได้สร้างโรงเรียนก็ได้สร้างโรงพยาบาลก็ได้ ทำบุญกับใครก็ได้ทำบุญกับคนแก่คนชราทำบุญกับปู่ย่าตายายทำบุญกับพ่อกับแม่ทำบุญกับพี่กับน้องทำได้ทั้งนั้นถ้าขอให้เขาเดือดร้อนเถิดทำแล้วจะมีประโยชน์ทำแล้วจะทำให้เขามีความสุขแล้วจะทำให้เรามีความสุขเกิดขึ้นมาฉะนั้นการทำบุญนี้ทำได้กับทุกบุคคล ไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์องค์เจ้าไม่เฉพาะกับวัดวาอารามเท่านั้นทำได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานเลี้ยงสุนัขก็ได้เลี้ยงสุนัข เ, เลี้ยงแมวที่เขาไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ช่วยถ่ายชีวิตให้เขามีความสุขเพราะไม่มีใครอยากตายกัน ผู้ที่จะถูกเขาฆ่าแล้วได้รับการอภัยโทษนี้เขาจะมีความสุขมากการที่เราได้ไปถ่ายชีวิตให้แก่ผู้อื่นนี้ก็เป็นการทําบุญทําทานนอกจากการทําบุญทาทานแล้วถ้าเราไม่มีเงินทองไม่มีข้าวของเรายังใช้การกระทําของเราเป็นการทําบุญได้เช่นไปช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาต้องการความช่วยเหลือคนแก่คนชรา อยากจะไปวัดอยากจะไปโรงพยาบาลไม่มีใครพาไปเรามีเวลาว่างพาคนแก่คนชราไปวัดไปโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ได้บุญการรับใช้ผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งหรือการอุทิศบุญหลังจากที่เราทำบุญเสร็จ เราก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้นั้นผู้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้อันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลการมีความเมตตาเนี่ยนี่ก็คือความเมตตาการช่วยเหลือผู้อืน่นการดูแลผู้อื่นนี้เรียกว่าเป็นการมีความเมตตามีความกรุณามูดิตาเป็นความยินดีกับความสุขของผู้อืน่นความความเจริญของผู้อืน่น ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการทำใจให้มีความสุขนี่คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันทำกันอยู่เรื่อยๆแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เวลาโอกาสที่ที่จะให้เราทำมีโอกาสก็ทำไปแล้วจะทำให้ใจมีความสุขดีกว่าเอาดีกว่าเอาเงินไปเที่ยว ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวนี้เป็นความสุขปลอมสุขเดียวเดียวสุขแล้วกลายเป็นความทุกข์เพราะมันจะอยากเที่ยวไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้เที่ยวก็จะทุกข์เนีเพราะมันจะต้องมีเวลาที่ร่างกายไม่ไหวไปไม่ไหวหรือเวลาไม่มีเงินทองที่จะไปเที่ยวตอนนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปสู้เอาเงินไปเที่ยวมาทำบุญดีกว่า ทำบุญแล้วจะไม่ทําให้เราเดือดร้อนเวลาไม่มีเงินทําบุญไม่มีเงินทําก็ไม่ทําเท่านั้นเองไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่เหมือนกับความอยากใช้เงินไปเที่ยวเวลาอยากเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวนี่มันจะทุกข์มากทําบุญแล้วถึงแม้จะผ่านไปหลายวันหลายเดือนเวลาคิดถึงบุญที่เราทําก็ยังทําให้เรามีความสุขใจได้ ถึงแม้จะไม่ได้ไปทำบุญวันนี้แต่คิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเราก็ได้รับความสุขใจเพราะบุญมันไม่หายไปบุญมันอยู่ติดกับใจของเรามันจะติดกับเราไปจนถึงเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วบุญที่เราทำนี้มันก็จะหล่อเลี้ยงจิตใจสนับสนุนจิตใจของเราให้อยู่ในโลกทิ่อย่างมีความสุขเนย พวกที่มีบุญนี้เราเรียกว่าเทวดานั่นเองพวกที่เป็น เ, เป็นเศรษฐีบุญพวกที่มีบุญนี้เป็นพวกเทวดาพวกที่ไม่มีบุญนี้เป็นพวกเบลดพวกกระสนรกายพวกสัตว์น ร, รกนี่พวกนี้ไม่ทำบุญทำแต่บาปจึงมีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนมีแต่ความทรมานทั้งในขณะที่มีร่างกายและ หลังจากที่ไม่มีร่างกายไปแล้วอ่นี่คือทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพราะจะทําให้เรามีความสุขใจมีความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่และมีความสุขหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปจนกว่าบุญที่เราได้ทํานี้มันหมดไป พอหมดแล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีสนับสนุนจะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์มีร่างกายที่แข็งแรงมีอวัยวะครบสามสิบสองมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรอเราอยู่ เพราะบุญที่เราทํานี้เงินทองที่เราใช้ในการทําบุญนี้ที่ยังอยู่ในโลกนี้มันจะอยู่ในธนาคารบุญพอเรากลับมาเกิดเราก็จะมาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีเนีเพราะว่าเราได้ทําบุญไว้เหมือนเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารเวลาที่เราต้องการใช้เงินเราก็ไปเบิกได้ เวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปเราก็ยังไม่ต้องเบิกเงินที่เราได้ทำบุญไว้แล้ว เ, เอาบุญที่เราทำนี้ติดตัวไปพอบุญนี้หมดแล้วเราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมาเกิดในครอบครัวที่ร่ารวยที่มีฐานะการเงินที่ดีจะรวยมากรวยน้อยก็อยู่ที่บุญที่เราทำไว้ว่าเราได้ทำมากทำน้อย ถ้าทำบุญมากก็จะมีเงินทองรอเราอยู่มากถ้าทำน้อยก็มีเงินทองรออยู่น้อยถ้าไม่ทำเลยก็จะไม่มีเงินทองเลยนี่คือเรื่องของบุญที่จะสนับสนุนให้การเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้มีความทุกข์น้อยมีความสุขบ่อยคอยช่วยบรรเทาความทุกข์ต่างๆ ไม่เหมือนกับพวกที่ทำบาปไม่ทำบุญนี้จะมีแต่ความทุกขมาคอยลุมเล้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาจะจะหาเวลามีความสุขได้เพียงแวบๆเดียวเดียวเท่านั้นเองที่เป็นความสุขปลอมแล้วก็จะถูกความทุกขมาคอยบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ทำบาปได้ เราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราทําบุญเราก็จะไปสวรรค์ก่อนถึงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําบาปตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยกลับมาเกิดใหม่แต่ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ยังต้องกลับมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจใหม่เพราะเรายังอยากจะมาหาความสุขบําบัดความทุกข์ด้วยการ หาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะใหม่นั่นเองเมื่อหาแล้วเวลาหาได้ก็ดีใจเวลาหาหาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้สิ่งที่หามาแล้วเสียไปก็เสียใจอีกก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้อี ก, กลัรมาเกิดกีดครั้งก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้ทุกครั้งถ้าเราเบือ่อกับการที่จะต้องมาเกิดมาร้องห่มร้องไห้ พระพุทธเจ้าก็สอนวิธีที่สามก็คือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นีเพราะวิธีนี้จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปตายไปแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปถ้าใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจ ต้องไปเกิดต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปวิธีนี้เป็นวิธีที่สาการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์และวิธีที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ต้องชำระด้วยอะไรใจก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเวลาสกปรกเราก็ต้องนำเอาไปซักพอกเอาไปซักให้มันสะอาด สิ่งที่เราจะต้องมีในการซักพอ ก, ก็คืออะไรสมัยนี้ก็สบายมีเครื่องซักผ้านอกจากเครื่องซักผ้าแล้วก็ยังต้องมีผงซักพอกใส่เข้าไปด้วยถ้าซักด้วยน้ำเพียงอย่างเดียวมันจะไม่สะอาดบริสุทธิ์แต่ถ้ามีผงซักพอกก็จะซักพอกเสื้อผ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ใจของเราก็เหมือนกัน การที่จะซักพอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องมีเครื่องซักฟอกเครื่องซักพอกใจเครื่องที่จะมาซักพอกใจก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองศีลนี่ก็ต้องเป็นศีลของนักบวชไม่ใช่ศีลห้าศีลห้านี้สำหรับผู้ที่ต้องการละการกระทําบาปแต่สำหรับผู้ที่ต้องการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่ ต้องมีศีลแปดขึ้นไปศีล8ศีลสิบศีลสองยยี น, 10, น, นี่ถึงจะมีกําลังที่จะมาซักฟอกอใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะถ้ามีศีลแปดขึ้นไปแล้วจะสามารถาสนับสนุนการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาได้นั่นเองถ้าไม่มีศีลแปศีลสิบศีล2องยยี น, นี่ จะไม่มีเวลามาเจริญเพราะศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ดนี้จะห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมอื่นๆบังคับให้มาเจริญสติมาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเท่านั้นเพราะถ้าถือศีลแปดแล้วก็จะไปนอนกับใครก็ไม่ได้ไปกินอาหารเย็นก็ไม่ได้ ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามเมอรงมหอรสพบลงบันเทิงต่างๆก็ไปไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามก็ไม่ได้นอนมากจนเกินไปก็ไม่ได้นอนแบบสบายๆมันจะทำให้นอนมากเกินไปเลยต้องให้นอนแบบไม่สบายให้นอนกับพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่มากจะได้มีเวลามา สักพอกจิตใจด้วยการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญานี่คือหน้าที่ของศีลศีล8ขึ้นไปจะห้ามไม่ให้ไปทํากิจกรรมที่จะทําให้ไม่มีเวลามาซักพอกจิตใจถ้าถือศีล8ได้ถือศีลสิศีล2องได้ก็จะมีเวลามาเจริญสมาธิจเจริญปัญญา การจะเจริญสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนก่อนที่จะมีสมาธิได้ต้องเจริญสติก่อนสติเป็นเหมือนพ่อแม่ของสมาธิเป็นพ่อแม่ของปัญญาถ้าไม่มีสติสมาธิเกิดไม่ได้ปัญญาเกิดไม่ได้ต้องมีสติเป็นผู้นํางั้นต้องมีเวลาเจริญสติจะมีเวลาก็ต้องถือศีลแปด ถือศีลของนักบวชนักบวชนี้เขาไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นเขามีกิจกรรมอันเดียวคือจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเท่านั้นเขามีกิจกรรมซักพอกจิตใจเพียงอย่างเดียวดังนั้นถ้าอยากจะซักพอกจิตใจนี้ต้องหัดรักษาศีลแปกันเช่นวันธรรมดาเรารักษาศีลห้ากันได้ พอวันหยุดทํางานวันที่เรามีเวลาว่างที่เราจะมาปฏิบัติธรรมเราก็ถือศีลแปดกันเพราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็อาจจะไปเดี๋ยวคนเขาส่งบัตรเชิญมาให้ไปรับประทานอาหารขําไปงานเลี้ยงด้วยความเก่งใจก็จะต้องไปอไปก็แต่ถ้าถือศีลแปดก็ปฏิเสธเขาไปได้ว่าวันนี้เป็นวันถือศีลแปด าศาสนาอื่นเ็ายังปฏิเสธได้าศาสนาอิสลามเขาไม่กินหมูเวลาใครเอาหมูมาให้เขากินเขาก็ปฏิเสธได้เขาไม่ได้ทำให้คุนเสียใจเพราะมันเป็นคำสอนของาศาสนาที่ห้ามไม่ให้รับประทานหมูเพราะถ้าใครเอาหมูมาให้เขาก็บอกกินไม่ได้ก็เหมือนกันถ้าเราถือศีลแปดเราก็ปฏิเสธได้ เขาจะส่งบัตรเชิญมาให้ไปงานแต่งงานไปกินเลี้ยงไปกินงะกินอาหารค่าแล้วก็ปฏิเสธเขาไปได้ว่าเราเป็นเราถือศีลแปดไปไม่ได้อันนี้ถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะปฏิเสธไม่ได้พอใครมาชวนก็ไปต้องไปด้วยความเก่งใจกลัวจะเสียเพื่อนกลัวจะเสียน้ำใจกัน ่ถ้าเราถือสีนแปดแล้วนี้เราก็จะต้องปฏิเสธเขาไปเพราะการถือสีนนี้มันเป็นเหมือนกับการให้สัจจะให้คํามั่นสัญญากับตัวเราถ้าเราถือสีนแปดแล้วเราไปเปลี่ยนพอใครส่งบัตรเชิญมาให้เราก็เปลี่ยนไปถือสีนห้าอย่างนี้แสดงว่าเราโกหกตัวเราเองหลอกลวงตัวเราเองเวลาสมาทานก็บอกจะถือสีลแปด พอใครส่งบัตรเชิญมาให้ไปกินไงไปกินอาหารค่ำก็เลยเปลี่ยนจากสีแปดมาเป็นศีลห้าอย่างนี้ก็จะทําให้ไม่มีเวลามาปฏิบัติมาชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองอย่าไม่มีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเพราะมัวแต่ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีศีลแปดขึ้นไปถึงจะสามารถชำระได้อย่างามีประสิทธิภาพถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวมีกิจกรรมอย่างอื่นมาดึงไปก็จะไปแทนที่จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิก็อาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงไปดูภาพยนตร์กับเพื่อนฝูงก็ได้นี่คือหน้าที่ของศีลแปด ถ้าอยากจะมีเวลามาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญาเราต้องมีศีลแปดขึ้นไปพอมีศีลแปดแล้วเราก็จะมีเวลาหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันแล้วก็เราก็จะไม่มีความกังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารอีกต่อไป หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะได้มีเวลาว่างไปจนถึงเวลานอนเลยเพราะเราก็จะไม่ไปเที่ยวที่ไหนไม่ไปร่วมหลับนอนกับใครไม่ไปกินอาหารค่ำที่ไหนไม่ต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้เสียเวลาตั้งแต่เที่ยงวันไปเราก็จะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิกันไปจนถึงเวลานอนประมาณสี่ทุ่มเลย ถ้าเราเดินจงกรมด้วยการมีสติเวลานั่งสมาธิจิตของเราก็จะสงบง่ายถ้าเราไม่มีสตินั่งสมาธิไปนานเท่าไหร่ก็จะไม่สงบเพราะใจจะไม่หยุดคิดนั่นเองสิ่งที่จะหยุดคิดได้นี่คือสติถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติกันขึ้นมาถ้ า, ายังหยุดคิดไม่ได้เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้ใจเราคิดอยู่กับเรื่องเดียว ให้เพ่งอยู่กับเรื่องเดียวให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นถ้าจะให้คิดก็ให้คิดกับคำว่าพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวต้องทำอยู่อย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พอจะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นอย่าต้องคิดก็ดึงให้มาพุโทโธพุโทโธไปถ้ามีความจาเป็นที่ต้องคิดก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวพอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาพุโทโธต่อไป ไม่ว่ากําลังจะทําอะไรก็พุโทโธไปกําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกําลังรับประทานอาหารกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมทําอะไรก็ตามอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าอยู่กับเฝ้าดูการกระทําได้ก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้าเฝ้าเฝ้าดูการกระทําของร่างกาย ว่าตอนนี้กําลังหวีผมก็อยู่กับการวหวีผมอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้แต่ถ้าไปคิดถึงพุโทโธก็ต้องใช้ถ้าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้พุโทพธโธดึงกลับมาพยายามดึงใจกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนี้ไม่ว่ากําลังจะเดินก็อยู่กับการเดินกําลังทําอะไรให้อยู่กับการที่เรา งานที่เรากาลังทำอยู่แล้วใจของเราจะได้หยุดคิดได้แล้วพอเรามานั่งสมาธิใจก็จะรวมจะนิ่งได้อย่างเต็มที่เพราะถ้าไม่นั่งอยู่เฉยๆจิตจะนิ่งสงบเต็มที่ไม่ได้เพราะถ้าร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรอยู่จิตจะไม่สามารถหยุดทำงานเพราะจิตเป็นผู้ควบคุมร่างกายเหมือนกับรถยนต์ ถ้ารถยนต์ยังวิ่งอยู่นีคนขับจะพักหลับนอนไม่ได้ถ้าอยากจะพักหลับนอนต้องจอดรถก่อนจอดรถข้างถนนก่อนเช่นขับรถแล้วง่วงนอนอยากจะพักอยากจะนอนคนขับอยากจะพักก็ต้องจอดรถก่อนถึงจะพักได้ถ้าไม่จอดรถก็ยังต้องคอยบังคับคอยควบคุมรถอยูอ่ก็จะนอนไม่ได้จิตก็เหมือนกับคนขับร่างกายถ้าอยากจะให้จิตพัก ก็ต้องหยุดการกระทําของร่างกายต้าให้ร่างกายนั่งเฉยๆนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิเป็นท่านั่งที่ดีที่สุดสําหรับการพักใจพักจิตพักใจพอนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิแล้วก็มีสติคอยควบคุมใจบังคับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ดูเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆะ ถ้าสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็รวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะมีความสุขความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นมาชั่วคราวในขณะที่จิตสงบแล้วถ้าออกหลังจากออกจากสมาธิมาพอจิตเริ่มคิดเริ่มมีความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าห้ามอยากอย่าไปทําตามความอยาก เพราะการทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่จะให้ความสุขกับเรามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปแล้วก็จะทำให้เราทุกข์ทำให้เราต้องไปมีความอยากใหม่แต่ถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากความอยากนั้นก็จะหมดกำลังไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่มารบกวนใจ พอเวลาเกิดความอยากนี่ใจจะสัน่นใจจะกระเพื่อมใจจะไม่นิ่งแต่ถ้าเราไม่ทําตามความอยากได้เดี๋ยวกาลังพอความอยากหมดกําลังมันก็จะทําให้ใจหายสัน่นหายกระเพื่อมใจก็จะนิ่งแล้วก็จะนิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาพอมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาก็อยากไปทําตามมันให้รู้ว่าการทําตามความอยากเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข เพราะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเป็นความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากใหม่มันจะหดลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วหมดไปในที่สุดได้นี่คือขั้นของปัญญาเวลาออกจากสมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่า ความสุขต่างๆนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปก็จะทำให้เราทุกข์ทำให้เราเสียใจทำให้เราต้องอยากใหม่อยากได้มาใหม่ได้มากี่ครั้งก็จะต้องหมดไปทุกครั้งไปแล้วต่อไปก็จะไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายตเวลาตายก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกนะ นี่คือปัญญาให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่าจะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงและจะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราสามารถใช้ปัญญาสอนใจระงับความอยากได้ทุกครั้งที่เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิต่อไปความอยากก็จะหมดกําลังแล้วเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไป ถ้าใจไม่มีความทุกข์แล้วก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่าบร ม, มสุขนิพพานังปรมังสุขขังก็จะปรากฏขึ้นมานิพพานนิพพานก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ได้รับการชักซักพอกด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วศีล ส, สมาธิปัญญาที่ซักพอกความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ จิตก็สะอาดเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราซักพอกในเครื่องซักพอกในเครื่องซักผ้าเวลาซักพอกเสร็จนี้เสื้อผ้าก็สะอาดบ่อยสุดจิตก็เหมือนกันจิตซักพอกเสร็จก็บริสุดปราศจากกิเลิตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเอเป็นจิตที่ว่างคําว่าว่างก็คือจิตที่ว่างจากกิเลสตัณหาอ แต่บางคนก็คิดว่าเป็นจิตที่ศูนย์ยว่าคิดว่าพอถึงนิพพานแล้วจิตจะศูนย์หายไปจิตไม่ศูนย์คําว่าศูนย์นี่แปลว่าว่างว่างจากกิเลสตัณหาจิตมันจะไปศูนย์ได้ไงเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราไปซักในเครื่องซักผ้ามันจะศูนย์ไปได้ไงสิ่งที่ศูนย์จากเสื้อผ้าก็คือคราบสกปรปกต่างๆแต่ตัวเสื้อผ้าไม่ศูนย์ตัวเสื้อผ้ายังอยู่จิตก็เหมือนกันจิตก็เป็นเหมือนเสื้อผ้า การซักพอกจิตนี้ไม่ได้ทําให้จิตศูนย์แต่ทําให้กิเลสตัณหาศูนย์พอไม่มีกิเลสตัณหาเราก็เรียกว่าปรมังศูนย์อย่างเป็นจิตที่ศูนย์ศูนย์จากกิเลสตัณหาศูนย์จากความทุกข์ศูนย์จากการเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแต่ตัวจิตไม่ศูนย์จิตอยู่ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนจิตของพระพุทธเจ้าและพระสาวกก็ยังอยู่ เพียงแต่ท่านติดต่อกับเราไม่ได้เพราะท่านไม่มีร่างกายเท่านั้นเอง น, นี่แหละคือทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเป็นวิธีกำจัดความทุกข์เป็นวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถูกต้องเป็นวิธีเดียวเท่านั้นไม่มีวิธีอื่น วิธีที่พวกเรากําลังทํากันอยู่นี้เป็นวิธีสร้างความทุกข์ไม่ได้เป็นการสร้างความสุขเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวพอความสุขชั่วคราวหายไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วมันจะทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนทุกข์ไปเรื่อยๆจนน้าตานี้หลั่งออกมามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรดังนั้นขอให้พวกเรา เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเถิดแล้วความทุกข์ทั้งหลายจะหมดไปจากจิตจากใจจะเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราปริปุเรนติสาคะรัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุลหังกิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเเปรนตุสังกปาจันโทปนะหราโสยะธามณิโชติหราโสยะธาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพะโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุธาปจายโนยตาโรธรมมวทานติอายุวันโอสุขังภาลาังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วต้องขออนุญาตงดถามตอบถ้าอยากจะถามควรจะถามช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะเปิดเผยก็เขียนเป็นข้อความให้ผู้ประกาศอ่านให้ก็ได้แต่คนจะถามในช่วงนี้เพราะทุกคนจะได้ยินคำถามได้ยินคำตอบ พร้อมๆกันจะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้ามาถามเฉพาะส่วนตัวมันก็จะได้เพียงคนเดียวแล้วจะทาให้เสียเวลามากวันนี้ทาง YouTube Facebook เข้ามาเท่าไหร่แล้วยูทูบสามร้อยค่ะยูทูบและเฟซบุ๊กยูทูบหนึ่งร้งอยห้าค่ะเ a c e b o o k ามร้อยค่ะแล้วก็วิทยุอีกส8ค่ะดค่ะโอเค ถ้าอยู่ทางบ้านก็ติดตามทาง Facebook ได้ YouTube ได้ทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ p ระสุชาติ .com ได้ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยมักการพระอาจารย์พูดใกล้ใกมหน่อยนมสักการ พ, าพระ อ, อาจารย์นะครับมีคำถามว่าเวลาปฏิบัติอะครับเวลาเรานั่งสมาธิบางครั้งเรารู้สึกฟุ้งซ่านนะครับแต่ว่าเวลาพอเราสงบ ผมไม่แน่ใจว่าใช้คําว่าสงบไหมแต่ว่าเรากําหนดลมหายใจแล้วมันเหมือนพวรู้สึกเหมือนเหมือนใจจะขาดอะครับเหมือนหายใจไม่ออกจนจะต้องออกจากสมาธิเป็นเพราะอะไรอะครับอาจารย์อ๋อเป็นกิเลสของเรามันอยากจะออกมันก็เลยหาเรื่องออกไม่ต้องไปกังวลมันจะไม่หายใจก็ไม่ต้องไปสนใจให้ดูเฉยเฉยดิพอบางทีมันจะหยุดมันจะสงบมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนจะขาดใจตายก็ปล่อยมันขาดใจไปให้รู้เฉยเฉย แล้วจิตก็จะสงบตอนนั้นก็เหมือนการไม่ได้ลมไม่ได้หายใจแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจิตไม่รับรู้เท่านั้นเองไม่รับรู้ลมแต่ลมก็ยังหายใจอยู่ไม่มีคนตายจากการนั่งดูลมนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกมันเป็นอาการของจิตแสดงหลอกให้เรากลัวทำให้เรา อ, อยากจะลุกอยากจะไม่ปฏิบัติยังให้รู้เฉยๆดูไปตามลมมัน ้ะมีก็มีสั้นก็สั้นยาวก็ยาวละเอียดก็ละเอียดหยาบก็หยาบจะไม่หายใจก็รู้ว่าไม่หายใจอย่าไปตกใจอย่าไปมีปฏิกิริยาให้รู้เฉยๆแล้วจิตมันก็จะรวมก็ไปสู่ความสงบต่อไปคําถามจากคุณถ้วยฟูค่ะสติกับสัมปะชัญญาต่างกันยังไงครับสติก็คือการระลึกรู้ที่เกิดดับเกิดดับบางทีก็เผลอบางทีก็ไม่เผลอ ถ, ถ, ถ, ถ้าสติไม่เผอต่อเนื่องก็เรียกว่าสัมปะชัญญาคือสติต่อติดตามติดต่อกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดหายถ้าขาดหายก็ไม่เป็นสัมปะชัญญะคำถามจากคุณพัฒนานค่ะถือศีลแปดมาครึ่งชีวิตฝึกภาวนานั่งสมาธิบ้างจนในใจถ้าจะหลุดคิดก็จะคิดแต่สิ่งดีๆ แล้วพอตอนจะตายจริงๆกลับทำใจตัดร่างกายไม่ได้กลัวตายเสียได้ชีวิตมีไหมครับแบบนี้แล้วถ้าตายจะไปเป็นแบบไหนครับคือถ้าเราฝึกมาแล้วจิตมันทำตามที่เราสั่งแล้วมันก็จะทำตามเวลาถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ mm hmm. เช่นถ้าเราไม่กลัวตายตอนนี้แล้วเวลาตายเราก็จะไม่กลัวแต่จะรู้ว่าเรากลัวและไม่กลัวเราก็ต้องไปทดสอบดู ไปหาที่น่ากลัวดูดูว่ายังกลัวอยู่หรือเปล่าถ้ายังกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังยังไม่ยังไม่หมดอก็ต้องทําให้มันไม่กลัววิธีไม่ทําให้มันไม่กลัวก็คือต้องยอมตายยอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องตายอาไม่วันไหนวันหนึ่งก็ต้องตายถ้าวันนี้จะเป็นเวลาตายก็ให้มันตายไปแล้วใจจะหายกลัวแล้วต่อไปมันจะไม่กลัวถึงเวลาตายมันก็จะ เฉยๆเหมือนตอนเราเพิ่งได้ทดสอบแล้วถ้ายังไม่ได้ทดสอบยังไม่ได้ทําข้อสอบนี่มันยังไม่รู้เหมือนเียหนังสือถ้าเรายังไม่ไปสอบเราก็ไม่รู้ว่าเราสอบผ่านหรือไม่ผ่านแต่ถ้าเราไปสอบผ่านแล้วต่อไปสอบกี่ครั้งเราก็สอบผ่าน <c oughs> คําถามจากคุณแนนซี่สามคําถามกับอาจารย์คําถามที่หนึ่ง อยากทราบว่าอานิสงของการทำบุญลักษณะใดที่ให้ผลแก่บุคคลนั้นเกิดมาเป็นผู้มีโภคพา์มากมีเงินทองมากมีชีวิตที่ไม่ลำบากด้วยปัจจัยสี่ค่ะก็ด้วยการทำทานไงด้วยการให้เงินทองแก่ผู้เหมือนการเอาเงินไปฝากธนาคารเวลาเราทำบุญทําทานนี่เงินทองเราไม่สูญเปล่ามันจะกลับมาหาเราตอนที่เรากลับมาเกิดใหม่อย่างประเวจสันดรเนี่ย ตอนที่ท่านเป็นพระเวชสันดรท่านก็ทําบุญทําทานอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างมากมายกายกองพอตายไปท่านก็ไปเป็นไปเกิดบนสวรรค์ก่อนพอลงจากสวรรค์มาก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมารับอนิสงค์จากการทําทานของท่านเป็นราชกุมารมีภาษาสามด้วยดูมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองมากมายคำถามที่สองค่ะ หากเรามุ่งมั่นจะอธิษฐานจิตปรารถนามรผลนิพพานในชาติปัจจุบันในทุกครั้งที่ทําบุญทำกุศลแล้วนั้นจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ต้องเผชิญวิบากกรรมหนักเพื่อทดสอบจิตใจหรือไม่เจ้าคะเเรื่องการเจอวิบากกรรมนีไม้ไม่ได้เกิดจากการที่เราตั้งจิตอธิษฐานจะไปนิพพานแต่มันเกิดจากวิบากจากกรรมที่เราทําในอดีตถ้าเราทํากรรมไม่มันก็จะมีวิบากตามมา ถ้าเราไม่ไทํากรรมมันก็จะไม่มีวิบากตามมาพระเจ้าถึงสอนว่าให้ละการกระทําบาปทั้งปวงเพื่ออนาคตจะได้ไม่มีวิบากตามมาข้อที่ส <c oughs> ามค่ะอนิสสงของการปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นอิสระจากการถูกฆ่าเช่นการซื้อชีวิตโคกระบือไม่ให้ถูกฆ่าหรือการปล่อยปลาน้ํําาปลน้าเขียงจะส่งผลให้ทําทําให้ผู้มีอายุยืนขึ้นอายุไขควรจะเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่คะ ไม่หรอกเพราะว่าอายุขายของเรานี่มันไม่ได้อยู่ที่การทำบุญมันเป็นบุญนี้จะส่งผลต่อต่อภพหน้าชาติหน้าเสียส่วนใหญ่อันที่สองจากการปล่อยปลาปล่อยนกก็คือถ้าเกิดเราไปเป็นนกเป็นปลาก็อาจจะมีคนมาปล่อยเราแต่ถ้าเราไปฆ่าปลาฆ่านกอน า, อนาคตถ้าเราเกิดไปเป็นปลาเป็นนกก็อาจจะถูกเขาฆ่า ทำอะไรอย่างไรไว้ก็จะต้องได้รับผลอย่างนั้นกลับมาไม่เกี่ยวกับชาตินี้ชาตินี้ก็อาจจะทําให้เรามีความสุขใจและความสุขใจนี้อาจจะทําให้ใจแล้วร่างกายเราอยู่นานขึ้นก็ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นเป็นเหตุเดียวที่จะทําให้เราอยู่นานถ้ายังมีกรรมมีวิแบาบกมีโครคภัยไข้เจ็บมันก็ช่วยไม่ได้คาถามจากปบนเขาค่ะอาชีพที่ซื้อขายหุ้นผิดศีลไหมเจ้าคะ ขึ้นอยู่ว่าซื้อแบบลงทุนเรียกว่าซื้อแบบเก่งกาไรแบบเล่นการพนันซื้อเช้าขายเย็นแต่อย่างนี้มันก็เป็นลักษณะของการเล่นการพนันซึ่งอาจจะมีโอกาสทําให้เสียหายได้มากหวังจะรวยเลยคิดว่าหุ้นนี้จะขึ้นเลยซื้อเต็มที่แต่พอหุ้นไม่ขึ้นก็ต้องขายแล้วก็ขาดทุนแต่ถ้าซื้อแบบลงทุนเหมือนเราซื้อสินค้ามาแล้วก็ขายไป ซื้อมาเก็บไว้รับดอกเบี้ยรับแบ่งปันผลแล้วถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้เงินก็รอจังหวะที่ขายแล้วได้กำไรค่อยขายอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการเล่นการพนันเป็นการลงทุนคำถามจากเด็กมัธยมเจ้าค่ะการไปทำบุญที่เขาสูงๆที่จังหวัดหนึ่ง มีคนบอกว่าได้บุญมากใช่ไหมเจ้าคะและต่างจากบุญที่มาฟังเทศฟังธรรมอย่างไรเจ้าคะเ อ, อทําที่ไหนมันเท่ากันะทําบุญที่ไหนอยู่ที่บ้านเดี๋ยวนี้กดมือถือออนเงินเข้าบัญชีวัดก็ได้บุญละไม่ต้องไปปีนป่ายขึ้นไปบนเขาที่วัดนั้นแล้วก็ไปไปทําบุญบุญมันได้เท่ากันทานที่เราทํานี้มันมากน้อยไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องไปปีนเขาหรือไม่อยู่ที่ว่าเราทํามากทําน้อย ทำร้อยบาทกับทำพันบาทนี่มันก็ได้บุญไม่เท่ากันแล้วคำถามจากเด็กชายพงศิลปตค่ะถามว่านาโลกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าครับมีเพียงแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเนั้นเองถ้าเราไม่ได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะคิดว่าสวรรค์อยู่บนท้องฟ้านัลโลกอยู่ใต้ดินถ้าไปหาบนท้องฟ้าใต้ดินจามาหาไม่เจอแต่ถ้า มาฟังคําสอนของพระพุเจ้าพระพุทธเจ้าบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในใจเราเวลาเราทุกข์นั่นแหะเวลานั้นเราตกนรกเวลาเราสุขเวลานั้นเราขึ้นสวรรค์สวรรค์คือความสุขทุกข์ก็นรกก็คือความทุกข์ยันอย่าไปทําอะไรที่ทําให้ใจเราทุกข์เพราะเราจะตกนรกทันทีให้ทําอะไรเราทำให้ใจมีความสุขแล้วก็จะขึ้นสวรรค์ทันที คำถามสักทางอินบอกค่ะหากโยมพบเห็นพราที่ทำผิดพระวินยัยหรือสอนญาติโยมไปในทางที่ผิดคือสอนให้เคารพบูชาเครื่องรางทำเดียร์ละชาวิชาเป็นเป็นที่ผู้ที่เป็นคารวะนั้นสามารถเข้าไปตึกเตือนท่านอย่างสุภาพในฐานะคารวะได้หรือไม่เจ้าคะหากควรไม่ควรอย่างไรขอพระอาจารย์เมตตาแนะนําด้วยเจ้าคะ่ะไม่ควรหรอกเพราะว่าเราเป็นผู้น้อยผู้น้อยกว่าท่านท่านเป็นผู้สูงกว่าเรา ถ้าเราอยากจะให้ตักเตือนต้องไปแจ้งผู้บังคับบัญชาท่านเช่นเจ้าอาวาสถ้าท่านอยู่วัดไหนท่านเป็นลูกวัดก็ไปแจ้งเจ้าอาวาสให้ท่านทราบว่าพระองค์นี้ประพฤติไม่ถูกสอนไม่ถูกส่วนเจ้าอาวาสจะไปตักเตือนหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของท่านละมันไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าเป็นเจ้าอาวาสก็ต้องไปแจ้งเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอที่สูงกว่า คือทางคณะสงฆ์เราก็มีการบังคับบัญชาลำดับชั้นเหมือนกันงั้นใครทําผิดเราก็ต้องไปแจ้งผู้บังคับบัญชาของท่านให้ท่านมาพิจารณา <c oughs> มาว่ากล่าวตักเตือนเราเป็นผู้น้อยกว่าในฐานะเป็นคาราวะาผู้ครองเรือนเราก็ไม่ควรที่จะทําในสิ่งที่มันไม่เหมาะกับฐานะของเราค่าคำถามต่อไปนะคะ มาทำงานคนเดียวที่กรุงเทพแล้วเหงาอาจต้องอยู่คนเดียวจนกเกษียณพระอาจารย์มีวิธีคิดหรือคาชี้แนะอย่างไรให้ความเหงาหายไปหมดครับให้ฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆเพราะเวลาจิตสงบแล้วจะหายเหงาความเหงาเกิดจากความอยากมีเพื่อนพอไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวก็เลยรู้สึกเหงาแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ก็จะหายเหงาจะนั่งให้สงบได้ก็ต้องฝึกสติบ่อยๆ ฝึก ส, สติเรื่อยๆเลื่องตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะมันจะคิดถึงเพื่อนพอคิดถึงเพื่อนแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้เพื่อนพอไม่ได้อยู่ใกล้เพื่อนก็จะเหงาแต่ถ้าเราไม่ให้มันคิดถึงเพื่อนได้ให้อยู่แต่พุโทโธพุโทโธไปมันก็จะไม่รู้สึกเหงาคำถามจากคุณณัทวัฒนสองคำถามค่ะคำถามที่หนึ่งค่ะการเข้าในนิมิตแต่ละท่านจะต้องทํำยังไงครับถ้าอาจารย์คะช่วยแนะนำด้วยครับ อนิมิตนี้เราเข้าไม่ได้หรอกมันจะเกิดขึ้นมาของมันเองมันจะเกิดก็เกิดบางทีมันก็ไม่เกิดบางคนก็มีนิมิตบางคนก็ไม่มีแต่ถ้านั่งสมาธินี่เราไม่ได้นั่งเพื่อให้เกิดนิมิตเรานั่งเพื่อให้เกิดความสงบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนิมิตจิตจะไม่สงบถ้าเราไปสนใจกับนิมิต ถ้าเรานั่งสมาธิเราต้องการให้จิตสงบไม่ต้องไม่ต้องสนใจกับนิมิตถ้ามีนิมิตโผลขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าหัดอย่าเปลี่ยนจุดจากการดูลมไปดูนิมิตถ้าดูนิมิตแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็จะไปเหมือนนั่งไปนั่งดูหนังแทนนั่งดูหนังแล้วจิตก็จะไม่สงบแล้วดีไม่ดีถ้าไปเจอนิมิตไม่ดีก็จะกลัวต่อไปจะไม่กล้านั่ง งั้นอย่าไปสนใจนิมิตเวลามันเกิดขึ้นมาก็ให้ภาวนาของเราไปเรื่อยๆให้จดจ่ออยู่กับลมาหายใจหรืออยู่กับคําบริกรรมพุทธไปแล้วเดี๋ยวนิมิตก็จะหายไปจิตก็จะสงบลงคําถามที่สองค่ะ <c oughs> การศึกษาเรื่องจิตและการยกจิตขึ้นตามลําดับควรทําอย่างไรช่วยอธิบายเข้าใจครับก็เนี่ยก็ต้องศึกษาวิธียกจิตวิธียกจิตของพระพุทธเจ้าก็คือต้องมีศีลก่อนต้องทําทานก่อน ต้องรู้จักการให้ไม่ให้มีความโลภไม่มีลดความโลภจากการอยากได้เงินทองอหาเงินทองพอพอกินพอใช้ก็พอถ้ามีเงินมากก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นใช้ให้มีพอกินพอใช้จะได้ไม่ต้องหามากจะได้มีเวลามายกจิตให้สูงขึ้นด้วยการรักษาศีลและด้วยการเจริญสติตามลำดับต่อไปคำถามจากคุณท า, าการคะ่ะ ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ครับการเชื่อเรื่องความฝันจัดเป็นสังโยชน์ข้อที่สามไหมครับขออนุญาตดลบวนพระอาจารย์ครับก็ฝันของแต่ละคนมันก็บางทีก็เป็นความจริงบางทีก็ไม่จริงยงั้นเราก็อย่าไปเชื่อแบบงมงายคือต้องเชื่อแบบพิสูจน์ได้เช่นถ้าเราฝันว่าเห็นเลขนี้เลขนั้นแล้วพอถึงเวลามันออกเลขนั้นเลขนี้ก็คิดว่าเอ ความฝันของเรานี้ตรงกับความจริงก็ลองดูงวดหน้าดูว่ามันตรงกันทุกงวดหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปซื้อดูไปเรื่อยๆถ้าฝันทีไรเห็นเลขทีไรตรงกันทุกทีก็แสดงว่าอความฝันของเรานี้เป็นจริงเราก็เชื่อได้แต่ถ้าฝันว่าเลขนั้นเลขนี้แล้วไปเอลออกเลขนู้นเลขนั้นก็แสดงว่าเป็นความเพอ้อฝันก็ไม่ต้องไปสนใจต้องพิสูจน์ก่อนว่าเป็นความฝันที่จริงหรือไม่จริง คำถามจากคุณมันชุกพัดค่ะพวงมาลัยซื้อเสื้อผ้าล้างเท้าข อ, อกมาเป็นวิธีหมดกรรมได้จริงหรือไม่คะคือคนที่เขามีมีเวรมีกรรมกับเราเขาโกรธเกลียดเราเราก็ไปขออภัยเขากร า, าบเท้าเขาล้างเท้าให้เขาเอาดอกไม้ไปถ้ายังไม่พอก็ถามว่าอยากจะได้อะไรอีกอยากจะได้เงินก็ให้เงินเขาไปเพราะบางทีเราไปกู้หนี้ยืมสินเขาแล้วไม่ยอมจ่ายหนี้แล้วจะไปล้างเท้าเขาก็จะ หายกรดก็ต้องใช้นี่ให้หมดนะถ้าใช้นี่หมดเขาก็จะหายโกรดคำถามต่อไปค่ะมีปัญหากับพ่ออยู่และมีปัญหากับพ่ออยู่แล้วไม่มีความสุขคิดต่างกาันทะเลกกาะกันแม่เองก็ไม่มีความสุขหากคิดว่าจะพาแม่ออกไปอยู่ข้างนอกสองคนจะบาปหรือเปล่าคะก็แล้วแต่เหตุผลวิธีแก้ปัญหาตอนตอนน้นก็คือควรจะมองลเล็กมองความดีของพ่อ คิดว่าไม่มีพ่อเราก็ไม่มีวันนี้เราจะไม่ได้โตขึ้นมาอยู่อย่างนี้ได้งั้นถ้าพ่อไม่ดีบ้างก็คิดว่าเป็นการทดแทนบุญคุณท่านก็แล้วกันท่านก็เป็นคนมีกิเลสบางทีท่านอารมณ์ไม่ดีท่านก็อาจจะพูดไม่ดีทำไม่ดีบ้างก็ให้อภัยกันแล้วก็พยายามมองความดีของท่านแล้วมันก็จะทำให้เราไม่อยากจะทิ้งท่านคำถามนะคะ คุณแม่อธิษฐานขณะที่มีอาการคันว่าถ้าหายคันพรุ่งนี้จะนําปัจจัยไปถวายพระคุณแม่จะได้บุญไหมคะออการทําบุญได้บุญอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากทาบุญด้วยเพราะว่าต้องการกําจัดอะไรบางอย่างเพราะว่าบางทีมันไม่ได้กําจัดงนแล้วมันจะไม่อยากจะทําบุญต่อไปเช่นอธิษฐานว่าจะไปทําบุญพวกนี้เราไปทําบุญแล้วมันยังไม่หายคันอยู่ก็เลยไม่ไม่ทําเอำเพราะ แต่ถ้าหายคันก็จะรอเวลาคันหนึ่งจะไปทําบุญอย่างเดียวยนั้นไม่ไม่ใช่วิธีทําบุญที่ถูกคนจะทําบุญเพอมันเป็นเหมือนอาหารที่เราต้องรับประทานทุกวันเพราะการทําบุญแล้วทําให้ใจเราอิ่มเ อ, อให้คิดอย่างนี้คาถามต่อไปค่ะดิฉันนั่งสมาธิดูลมหายใจจนสงบว่างโล่งเบาสบายสักพักใจรับรู้ถึงพระพุทธ พระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยใจรับรู้เป็นความรู้สึกถึงพระองค์ทรงเมตตาทรงอยากให้เราพ้นทุกข์เป็นเหมือนกระแสะจิตเป็นเหมือนกระแสะจิตดิฉันก็นั่งร้องไห้จิตมันสะอื้นสะเทือนอย่างมากแต่แปลความของการร้องไห้ไม่ได้แต่รับรู้ได้ว่าพระพุทธองค์อยู่กับเราพยายามถามใจตัวเองว่าเป็นอะไรไม่ได้คาตอบแต่รับรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเวลาถวายข้าวพระพุทธเจ้า ปกติถวายข้าวก่อนกินเสมอพอตักข้าวใส่ปากจิตก็สะเทือนใจรับรู้ถึงพระพุทธเจ้าก็ร้องไห้ไปกินไปค่ะเวลาจะไปทํางานต้องไปกราบพระในห้องขณะก้มกราบจิตมันก็สะเทือนจนผุดเป็นความคิดเราคิดว่าเราจะต้องออกไปอยู่กับโลกที่วุ่นวายใจไม่อยากไปเลยน้ําตาก็ไหลออกมาแบบนี้อยู่บ่อย ทั้งสเหตุการณ์นี้เราต้องพิจารณายังไงดีคะอ๋อเราควรจะหยุดคิดอันนั้นเป็นความคิดของเรางั้นเวลาเกิดอาการเหล่านี้ให้เราบริกรรมพุทโธแทนจะได้หยุดอาการต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาการที่ดีทราบซึ่งในพุนคุณของพระพุทธเจ้าแต่ถ้ามันทําให้เราไม่สามารถดําเนินชีวิตตามปกติได้ก็แสดงว่าไม่ถูกครับคที่จะหยุดใช้คําบริกรรมพุทธีพุทโธดึงสติ ดึงใจกลับมาให้ให้อยู่เฉยๆไม่คิดปรุงแต่งค่ะคำถามจากคุณดวงไกลค่ะขอสอบถามค่ะผู้หญิงสามารถเป็นคนขับรถให้พระได้ไหมมีผู้ชายนั่งไปด้วยแต่ไม่สามารถขับรถได้มีข้อกำหนดอื่นๆเรื่องเวลาระยะทางที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ้าที่ทราบมาในอดีตรู้สึกว่าเขาจะไม่นิยมให้ผู้หญิงเช่นขับเกวียนขับอะไร ให้กับพระจะใช้ผู้ชายเป็นหลักเพราะไม่อยากให้ผู้หญิงเข้าใกล้พระนั่นเองดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็กให้ผู้ชายขับดีกว่าหรือถ้าพระอยากจะเเข่งในพระวินัยก็เดินไปดีกว่าคำถามจากคุณปานีนุชค่ะกล่าวเรียนถามว่าการทำบุญสร้างถาวรวัตถุกับวัดที่กันดารหรือเพิ่งเริ่มสร้างกับวัดที่เจริญแล้ว จะได้บุญแตกต่างกันหรือไม่คะบุญที่ผู้ทำนี้ได้รับเท่ากันแต่บุญที่ผู้รับนี้อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าถ้าไปทำวัดที่เขากันดานก็จะทำให้เข า, เาได้ประโยชน์มากถ้าไปทำกับวัดที่เขามีอยู่เยอะแล้วเขาก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่ามันมากเกินไปยิเวลาทำเราก็ต้องดูว่าที่ไหนขาดแคลนล้วก็ไปช่วยที่ขาดแคลน ที่ไหนที่มีสมบูรณ์แล้วก็รอดไว้ก่อนรอให้เขาขาดแคลนก่อนแล้วค่อยไปช่วยอย่างนี้มันจะได้ทำให้วัดทุกวัดจะได้มีการดูแลอย่างทั่วถึงกันแต่เรื่องของศรัทธาบันทีก็ห้ามไม่ได้เพราะบางทีวัดที่มีคนไปเยอะเพราะคนเข้ศรัทธาเยอะวัดที่มีคนไปน้อยก็เพราะว่าคนศรัทธาน้อ ย, อยนั้นมันก็เป็นเรื่องของศรัทธาก็ห้ามไม่ได้ แต่ถ้าจะเรื่องปัญญาก็พิจารณาดูว่าวัดไหนขาดแคลนวัดไหนไม่ขาดแคลนก็ไปทำวัดที่ขาดแคลนไปแต่ก็ต้องดูที่วัดขาดแคลนว่ามีพระที่ดีหรือไม่ดีถ้าเป็นวัดที่ขาดแคลนเพราะพระไม่ดีก็อย่าไปทำแต่ถ้าเป็นวัดที่ขาดแคลนแต่พระดีแต่ไปลำบากไปไกลก็ไปเถิดอย่างนี้ไปได้คาถามจากยู u ูบค่ะจากคุณสิทธิพงษ์ ตอบเรียนถามพระอาจารย์ครับเมื่อเราเห็นคนอื่นทําตัวไม่ดีหลงผิดเราสงสารอยากให้เขาเห็นถูกช่วยตักเตือนแต่ยังไงเราบังคับคนอื่นไปไม่ได้เราต้องปล่อยให้เขาเป็นตามนั้นอย่างนี้ถือว่าเราเห็นแก่ตัวไหมครับเออไม่หรอกงั้นเราจะไปทํางไหกับคนทั่วโลกคนต้องเยอะแยะในเมืองไทยที่เขาทำไรเราจะไปตักเตือนเขาได้ทุกคนที่ไหนเนียก็เราต้องตักเตือนกับคนที่ก็ให้เราตักเตือนได้เท่านั้นเอง แต่ถ้าคนที่เราไปตัดเลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาไปคำถามจากคุณวิจัยคะ่ะเมื่อออกจากสมาธิใหม่ๆจะรู้สึกปวดหัวเพราะอะไรครับมีวิธีแก้ไหมครับก็ต้องลองสังเกตดูว่ามันเป็นทุกครั้งหรือเปล่าแล้วเวลาไม่นั่งสมาธิเป็นหรือเปล่าถ้ามันเป็นทุกครั้งหรือว่าเวลานั่งสมาธิก็เป็นก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายก็ต้องไปหาหมอให้หมอก็เช็กดูว่าเป็นเพราะอะไร แต่ถ้าเป็นเฉพาะเวลาเรานั่งสมาธิก็ก็อาจจะเป็นผลที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสมันง่ายอาจจะสร้างความรู้สึกทำให้เราไม่อยากจะนั่งต่อไปก็ได้เพะฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องของกิเลกก็ไม่ต้องไปสนใจมันจะปวดถ้ามันปวดแล้วมันหายมันไม่มีอะไรเสียหายก็ปล่อยมันไปคำถามจากคุณสุริยาค่ะ บางครั้งผมนั่งสมาธิพอรู้สึกว่าจิตสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมากๆจนน้ำตาไหลอาการแบบนี้ใช่กิเลสหลอกเราหรือเปล่าครับออไม่เขาเรียกปิติแต่ไม่ควรหยุดเราควรจะภาวนาต่อควรจะดูลมต่อไปควรจะพูดโทต่อไปเพราะยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือความสงบนิ่งคำถามต่อไปค่ะเรานาสิ่งของห ร, อขหรือของใช้ของบริษัท ขอโทษค่ะแล้วนําสิ่งของหรือใช้สิ่งของของบริษัทเพื่อประโยชน์ตนเองถือว่าผิดสิ่งข้อสองหรือไม่คะก็อยู่ที่ว่าบริษัทเ้าอนุญาตหรือเปล่าถ้าเขาอนุญาตให้ไปใช้ได้ก็ไม่ผิดต้องขออนุญาตจากเจ้าของก่อนถ้าเขาไม่อนุญาตแล้วเอาไปโดยที่ไม่บอกเขามันก็ถือว่าผิดคำถามสุดท้ายนะข้อสุดท้ายได้ค่ะคําถามจากคุณ วิชะวิชโลเนนี่กับเรียนถามพระอาจารย์หนูไม่ชอบตกปลาแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาหนูทําผิดเพราะดีใจที่เพื่อนตกปลาเลยไปถ่ายรูปกับปลาตัวนั้นหนูถ่ายรูปตัวนี้หนูถ่ายรูปหนูจะบาปไหมคะพระอาจารย์อ๋อไม่บาปเพียงแต่ว่าหนูขาดความเมตตาสงสารเห็นความทุกข์ของผู้อื่นกับสนุกเราต้องมองย้อนกลับว่าถ้าเราเป็นปลาแล้วใครก็มาถ่ายรูปเราบ้างเราจะรู้สึกยังไงนะ พยายามมีความเมตตากรุณาเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วเราควรที่จะอย่าไปยินดีควรที่จะบำบัดความทุกข์ให้กับเขาคนจะบอกเพื่อนปล่อยมันไปเถิดอย่ามาถ่ายรูปอะไรเลยความสุขแบบนี้มันความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่นมันไม่ถูกนะอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจีรณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินโอกาสหน้าวันฟันพรุ่งนี้ยังมีต่อถ้าใครอยากจะฟังต่อก็บ่ายสองโมงทุกวัน